ตรงนี้ต่อขึ้นปัญญาได้เลยต่อขึ้นเดินปัญญาได้เลยก็จะเห็นเลยจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็เป็นอนัตตาจิตหลงก็เป็นนัตตาง่ายๆเพมือฉะนั้นของคนที่ทำชาญไม่ได้นะก็ใช้คณิกาสมาธิเนี่ยมาดูจิตเนาจะเห็นจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันนะถ้าคนไหนทาชาญได้ก็ทา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 อารมณ์ที่ทำฌานได้ก็มียี่สิบกว่าอย่างมีมีไ ม, ม, ม, ม่มากนักไม่ใช่ทั้งหมดอย่าง ก, กระสินมีสิบอันใช้ทำฌานได้เวลาทำฌานยกตัวอย่างอย่างหายใจเราหายใจหายใจเราไม่ได้ดูจิตดูใจนะเราดูลมหายใจถ้าจะทำฌานอย่าไปดูตัวจิต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 เวลาจิตใจสงบสุขรู้สึกไม่หายใจเบาเบาเพราะนลมหายใจเนี่ยสัมพันธ์อยู่กับความรู้สึกเราทําใจให้สบายแล้วหายใจเล่นๆไปทําใจให้ผ่อนคลายหายใจเล่นๆนะหายใจไปเรื่อยจะพุทธโธด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้ไม่ต้องไปกําหนดอะไรมั่งหายใจสบายพอมันมีความสุขมีความสบายนะมันผ่อนคลายผ่อนคลายเนี่ยลมหายใจจะละเอียดจะเบา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 การที่จิตเข้าเคลียร์อยู่ในแสงสว่างนี่เรียกว่าวิจารแล้วเราเล่นได้นะจิตมีปีติมีความสุขจิตแน่วอยู่ในอารมันเดียวคือแสงสว่างนี้เรียกว่าเอกกตามันก็ได้ชานที่หนึ่งขึ้นมาพอได้ชานที่หนึ่งขึ้นมาแล้วนะให้มีสติไม่ต้องไปดูแสงลนะให้มีสติรู้ทันวิตกรู้ทันวิจารรู้ทันจิตที่ไปจับแสงรู้ทันจิตที่ไปเคล้าเคลียร์กับแสงนะจิตก็จะปล่อยการจับ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 ส่วนลทธเดชอะไรนะอย่าเป็นนึกว่าทาชาญมาแล้วมีฤทธ์นะไม่ได้เป็นทุกคนหรอกบางคนทำสมาธินิดเดียวนี่แหละตอนที่เกิดมรรคขึ้นมานะถ้าของเก่าเคยทำนะมันกลับมาอีกนะอยากได้อภินยองอภินยาอย่าไปฝึกเลยไม่ทานหรกชาติเดียวอะ่ะเราฝึกกันหลายชาติไม่ใช่ฝึกเอาแล้วชาตินี้จะฝึกอภิญาหวังว่าฝึกไปพุ่งปีหน้าจะได้อภิญาไม่ได้หรอก เอฝึกกันข้าม พ, อพ่อข้ามชาตินะงั้นคนไหนจะได้มันก็ได้เองแหละพรมสะสมมาคนไหนไม่ได้ก็อย่าไปหวังเลยถ้าอยากได้จริงๆก็ทำบุญทำความดีไปนะแล้วก็ทำสมาธิไปด้วอยอธิษฐานไว้ต่อไปในอนาคตการนานไกลให้ได้อภินยาไม่งง่มัูด้วจะว่าไงนะมักฝนไม่เอาเพราะการปฏิบัติเรยมีสองอ่านหนึ่งนะ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 เพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นชำนิชานานมันส่งไม่นานเท่านึงนะส่งไม่นานถ้าส่งนานเต็มที่ท่านก็เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธกันอยู่ได้เจ็ดวันไม่ต้องกินข้าวอย่างที่บอกว่าเข้านิโรธข้านิโรธแล้วถึงเวลาออกมาฉันข้าวไม่ใช่นิโรธหรอกอย่างนั้นใครก็เข้าได้ <c oughs> <c oughs> นั่นข้าวสมาธิเฉยเฉยเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ